ดีไม่ดียังสู้สัตว์บางประเภทไม่ได้เพราะเหตุไรเพราะสัตว์นั้นคนไม่ค่อยจ้องมองอะไรมากนะแ่คนเ่านี้เป็นผู้มีความรู้ความฉลาดเหนือสัตว์คนจึงจ้องมองกันถ้าดีก็ดีถ้าไม่ดีก็ต่งกว่สาสัตว์ภูมนุษย์เป็นภูมิ ท, ที่สูงสงเป็นภูมทิที่ควรจะอัด จ, จะทํา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 ก็ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นพระสงฆ์สาวกที่บริสุทธิ์ปุดพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งหลายกลายเป็นพระสงฆ์อนิเสดด้วยกันเพราะฉะนั้นคําว่าพุทธังธรรมังสังทางสนากระฉามนี้จึงเป็นคู่ควรอย่างยิ่งสําหรับใจของเราไม่เด็นําต้อยน้อยหน้าว่าตนได้ยึดถือสาระอันไม่ดีมาเป็นเครื่องพึ่งพิงคือเป็นสิ่งที่จอมปลอมอย่างนี้ไม่มีในจิตใจเพราะธรรมชาตินั้นเป็นของแท้ของจริง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 ต้องมีวาสนาสมควรที่จะได้รับอัดรับทมถึงได้รับในนับถือพุทธศาสนาได้ถึงได้นับถือคนที่เขามาับถือมีมากมายกาดกองเห็นของจริงเป็นของกลอมเห็นของปลอมเป็นของจริงนี้มีมากที่จะเห็นความควาจริงเป็นของจริงเห็นของกลอมเป็นของปลอมนี้มีจำนวนน้อยเพราะสายตามนุษย์ออกจากใจใจถ้ามืดมนต้นตการเสียจริงๆแล้ว